เจริญแต่เนื้ออัปัสุตายังบุริโสภริวัตโววศีรติบังสาณิตัสะวัฒนติปัญญาตสะรวัฒติแปลว่าบุคคลนี้มีการสดับศึกษาน้อยค่อยๆแก่ไปเหมือนโคดถึกจเจริญแต่เนื้อส่วนปัญญาหาจเจริญไม่ในพระคาถานี้คําว่าบุคคล น, นี้ท่านหมายเอา พระโลลุทายีผู้เป็นเจ้าของเรื่องอันเป็นเหตุให้พระศาสดาตรัสพระพาสินี้ท่านเป็นผู้มีการศึกษาน้อยรู้น้อยแต่เที่ยวอวดตนเสมือนเป็นผู้รู้มากจึงถูกตำหนิจากพระศาสดาพระโลลุทายีไม่ได้เป็นปราชแต่ทำตนเสมือนปราชยกตนขึ้นเสมอปราชเมื่อถูกขอร้องให้ทำหน้าที่อย่างปราชก็ทำไม่ได้เมื่อควรกล่าวอย่างหนึ่งก็ไปกล่าวซะอีกอย่างหนึ่ง คนฉลาดกับคนโง่มีต่างกันอยู่หลายอย่างอย่างหนึ่งคือคนฉลาดแม้รู้มากก็ทำประหนึ่งว่ารู้น้อยมีความถ่อมตนเป็นนิสัยส่วนคนโง่รู้น้อยก็ทำเป็นรู้มากโบราณท่านว่าปี๊บเปล่าตีเสียงดังส่วนปี๊บเต็มตีไม่ดังบันดิตย่อมกล่าวสิ่งที่ควรกล่าวในการที่ควรคนใดอวดรู้คนนั้นไม่รู้คนใดอวดมีคนนั้นจน อย่างไรก็ตามคนมีการศึกษาน้อยหากปฏิบัติตนดีก็น่ารักน่านับถือกว่าคนมีการศึกษามากแต่ปฏิบัติตนไม่ดีส่วนผู้มีการศึกษามากด้วยปฏิบัติตนดีด้วยย่อมได้รับการยกย่องทั้งสองด้านคือทั้งด้านการศึกษาและการปฏิบัติการศึกษาที่สมบูรณ์ น, นั้นคือการประพฤติตนดีตามที่เรียนรู้และ การนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมหรืออย่างน้อยแก่ตนเองผู้มีการศึกษาและเรียนรู้มากแต่ไม่ได้ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่สภาพหรือฐานะของตนไม่ได้นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ใครไม่เรียกว่าเป็นผู้มีการศึกษาอันสมบูรณ์อันหนึ่งผู้มีการศึกษาสมบูรณ์นั้นท่านว่าต้องมีความสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรม กล่าวคือมีความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อความตั้งตัวได้ในทางโลกไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเป็นผู้มีศีลธรรมดีเพื่ออยู่เป็นสุขไม่ต้องเดือดร้อนและเป็นตัวอย่างอันดีของบริวารชนและอนุชนในสังคมของคนที่สมมุติตนเองว่าเจริญแล้วแต่ยังมีความเดือดร้อนวุ่นวายยุ่งจนสางไม่ไหวอ ย, อยู่ก็เพราะสังคมเรายังขาดคน ที่มีการศึกษาสมบูรณ์นี้เองเข้มทางการศึกษาไม่ควรมุ่งเพื่อประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวแต่ควรมุ่งเพื่อการปฏิบัติชอบและเพื่อความเป็นคนดีอีกด้วยสำคัญอีกประการหนึ่งคือเพื่อมีโอกาสได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมากขึ้นควรปลูกฝังคนหนุ่มของเราให้ศึกษาหรือเลือกศึกษาวิชาที่ตรงกับอุดมคติในการบาเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและชาติในวิธีทางที่ตนถนัด มากกว่าจะล่าให้คนหนุ่มของเราศึกษาในแขนงที่จะสามารถหาเงินได้มากและรวดเร็วชาติของเราจะพัฒนาไปได้ไม่มากนักถ้าเราไม่พัฒนาคนของเราให้มีใจเห็นแก่ส่วนรวมเสียก่อนจริงอยู่การศึกษาเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแต่การศึกษาอันไม่สมบูรณ์นั้นทำให้คนไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นจะกลับมาทาลายเกียรติในบ้านปลายเปรียบเหมือนผ้าเหลืองเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแห่งพระ แต่พระที่ไม่มีศีลธรรมขาดการสำรวมเยี่ยงสมณะที่ดีการห่มผ้าเหลืองนั้นเป็นการทำลายเกียรติของตนลงโดยไม่ต้องสงสัยการศึกษาดีความประพฤติดีและการนำเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดไม่ควรให้แยกกันหรือขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งฟรานซิสเบคอนนักประพันธ์และนักปราชญชาวอังกฤษได้กล่าวว่า การใช้เวลาเรียนมากเกินไปคือความเฉยชาของมนุษย์แต่การนำเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์คือเครื่องประดับอันล้ำค่าของบุคคลทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนหนังสืออย่างเดียวมีหน้าที่อย่างอื่นจะต้องทำอีกมากจึงไม่น่าจะใช้เวลาเรียนหนังสือให้นานเกินไปจนเวลาของชีวิตหมดไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้เป็นชิ้นเป็นอัน อย่างไรก็ตามเบคอนยอมรับว่าการนำเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นเป็นเครื่องประดับกายอันล้ำค่าของบุคคลจะเห็นได้ว่าการมีความรู้อย่างเดียวหาสำเร็จประโยชน์แต่ประการใดไม่เหมือนเครื่องประดับที่ยังอยู่ในตู้เมื่อนำออกใช้ให้เป็นประโยชน์จึงจะเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเขากล่าวต่อไปว่าความสามารถที่มนุษย์เรามีประจำตัวเปรียบเหมือนพฤกษชาติที่ยังไม่ได้รับการตกแต่งให้สวยงาม ความสามารถนั้นย่อมปรับปรุงให้สวยงามได้ด้วยการเรียนแปลว่าขียดแห่งความสามารถโดยกำเนิดของคนนั้นจะดีหรือเหมาะสมได้ก็โดยการศึกษาและรู้ว่าควรจะนำความสามารถอันมีอยู่ประจําตนนั้นไปใช้ในทางใดบุคคลที่เฉลียวฉลาดคือผู้ใช้การศึกษาให้เกิดประโยชน์แต่หาใช้ความรู้โดยตรงจากบทเรียนไม่ แต่หมายถึงความรู้อันได้จากการใคร่ครวพิจารณาซึ่งมีบทเรียนเป็นพื้นฐานนี่จะเห็นตัวอย่างจากบุคคลจำนวนมากที่มีการศึกษาระดับเดียวกันผ่านหลักสูตรอย่างเดียวกันมาแต่หาได้ใช้ความรู้ให้สำเร็จประโยชน์เหมือนกันไม่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยการใคร่ครวนพิจารณาแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทำอย่างนั้นคงปล่อยสิ่งต่างๆให้ผ่านไปเลยไป หนังสือบางเล่มควรแก่การชิมดูเท่านั้นบางเล่มควรกลืนกินมีน้อยเล่มที่ควรเคี้ยวให้ละเอียดกั่นกรองและซึมทราบอธิบายว่าบางเล่มเด่นเพียงผิวเผินบางเล่มควรอ่านโดยตั้งใจตลอดเล่มบางเล่มบรรจุเนื้อหาที่กั่นกรองแล้วอุปมาดังน้ำกลั่นที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนสิ่งที่จะทอนแสงแวววาวความจริงที่เบคอนพูดไว้ตอนนี้ แม้จะล่วงเลยมาสี0ร้อยกว่าปีแล้วแต่ก็ยังเป็นความจริงอยู่เสมอจนกระทั่งบัดนี้มีหนังสืออยู่น้อยที่ผ่านการกลันกรองอย่างดีมีคุณค่าพอที่จะเคี้ยวให้ละเอียดเขากล่าวต่อไปว่าการอ่านทำคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์การปรึกษาหารือทำให้เป็นคนมีความรู้รอบครอบการเขียนทำคนให้มีความแม่นยาคนที่ปรึกษาหารือน้อยต้องมีไหวพริบมาก คนที่อ่านน้อยต้องมีความฉลาดมากทางนี้เพื่อทดแทนสิ่งบกพร่องที่ขาดหายไปประวัติศาสตร์ทำให้มนุษย์รอบรู้วรรณกรรมทำให้คนหลักแหลมคณิตศาสตร์ให้ความละเอียดถี่ถ้วนปรัชญาธรรมชาติทำให้เข้าใจความจริงอย่างลึกซึง้งจริยศาสตร์สอนคนให้รักสงบตรรกศาสตร์และศิลปะในการพูดทาให้สามารถยืนยันได้ด้วยหลักฐานสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆของบค คลักษณะสามารถปรปับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยการเรียนรู้และจัดให้เหมาะแก่บุคลิกและความโน้มเอียงของแต่ละบุคคลเช่นคนที่สมาธิไม่ดีความจําไม่แม่นควรให้เรียนด้วยการสาธิตคือทำตัวอย่างให้เห็นถ้าไม่มีความหลักแหลมเพียงพอที่จะแยกแยะความแตกต่างของสิ่งต่างๆได้ควรศึกษา ประวัติและชีวิตของนักปราชญ์ให้ละเอียดถี่ถ้วนดังนี้เป็นตน้นการศึกษาและการมีความรู้นั้นมีลักษณะเป็นดาบสองคมอยู่การศึกษาจะสําเร็จประโยชน์อย่างมากแก่คนที่รู้จักใช้ความรู้นั้นในทางที่ชอบหากใช้ในทางที่ผิดก็จะให้โทษมากความรู้อยู่ที่บัณฑิตย่อมเป็นคุณถ้าอยู่ที่คนผานย่อมเป็นโทษและให้โทษทั้งแก่ผู้มีเองและแก่สังคมเหมือนไฟเกิดจากไม้ ย่อมเผาไม้ไม้ให้หมอดและทำความร้อนแก่สิ่งที่อยู่ใกล้เพราะฉะนั้นพระศาสดา จ, จึงตรัสว่าความรู้เกิดแก่คนพานเพื่อประหารเขาอย่างเดียวยอมค่าส่วนดีของคนพานเสียทำให้ส่วนปัญญาของเขาตกไปในทางตรงกันข้ามความรู้เกิดแก่บัณฑิตย่อมเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติของเขาและอำนวยประโยชน์แก่คนมากเหมือนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สู่ดวงจันทร์ แล้วยังโลกเราให้สว่างด้วยฉะนั้นผู้ฉลาดอยู่ในโลกอย่างฉลาดรู้เท่าทันและเก็บความรู้ไปด้วยเป็นประจำวันไม่ให้เวลาล่วงไปเปล่าไม่ให้เป็นผู้เจริญแต่เนื้อแต่พยายามให้เจริญด้วยปัญญาพระศาสดาตัดว่าความเจริญด้วยลาบยศบริวารเป็นต้นเป็นเรื่องเล็กแต่ความเจริญด้วยปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ความเสื่อมลาบเสื่อมยศเป็นต้นเป็นเรื่องเล็กแต่ความเสื่อมปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ พุทธสาวกจึงควรเจริญด้วยปัญญารุ่งโรดด้วยปัญญาเรื่องนี้ทรงสแสดงขณะประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารทรงปรารพพระโลรุ ธ, ธายีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมีอยู่ว่าพระโลรุ ธ, ธายีนั้นทำอะไรไม่ค่อยเหมาะสมกับกาละและเรื่องราวเช่นเมื่อได้รับนิมนต์ไปที่บ้านในงานมงคล เมื่อควรจะสวดมงคลคาถากลับให้ไปสวดอวะมงคลคาถาเช่นติโลกุธทธสูตรเป็นต้นเมื่อควรกล่าวติโลกุธทธสูตรกลับไปกล่าวมงค ล, ลสูตรหรือรัตนสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายฟังคาถาของพระโลลุทายีแล้วนำความกราบถูนพระศาสนาพระพุทธองค์ตรัสว่าโลลุทายีพระพุทธเช่นนี้ไม่เพียงแต่ ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนก็เคยประพฤติมาแล้วเหมือนกันทรงนำเรื่องอดีตของพระโลรุทธธายีมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออักขิทั์ในกรุงพาราณสีมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อโสมทัตเป็นมหาเล็กและเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระราชาพราหมณ์อักขิทัมีอาชีพทางกสิกรรมคือทำนา ต่อมาวันหนึ่งวัวสำหรับไถนาของเขาสองตัวตายเสียตัวหนึ่งเขาจึงขอร้องลูกชายให้ทูลขอวัวให้เขาสักตัวหนึ่งโสมมาทัตมหาดเล็กเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดคิดว่าถ้าจะขอเองพระเจ้าอยู่หัวอาจจะตำหนิได้ว่ามักได้เห็นเป็นที่โปรดปราณแล้วขอนั่นขอนี้ครั้นจะไม่ทูลขอบิดาก็าจะตาหนิได้ว่าเป็นถึงคนโปรดของพระราชา เรื่องแค่นี้ช่วยพ่อแม่ไม่ได้เขาจึงกล่าวกับพ่อว่าคุณพ่อครับคุณพ่อขอพระราชทานเองเถิดผมจะพาไปก่อนไปสมทัตได้นำพ่อไปที่ป่าช้าแห่งหนึ่งเพื่อฝึกฝนกิริยามารยาทในการเข้าเฝ้าในหลวงทํย่าเป็นฟ้อนๆสมมติว่านี่คือพระราชานี่คือเสนาบดีนี่คือฝ่ายหน้าพ่อควรทากิริยาอย่างนี้อย่างนี้กราบทูลและพูดอย่างนี้อย่างนี้ ที่ต้องฝึกกันอย่างนี้เพราะพราหมณ์อคิทัตเป็นคนงโง่เมื่อเห็นว่าพอเข้าเฝ้าได้แล้วสมอาทัตให้พ่อท่องคำกราบบังคมทูลใจความว่ามหาราชโคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้ามีอยู่สองตัวตัวหนึ่งตายเสียแล้วขอใต้ฝ่าละ อ, องธุรีพระบาทโปรดกราพระราชทานตัวที่สองให้ด้วยเถิด ปีหนึ่งผ่านไปพรามจึงสามารถท่องคำกราบบังคมทูลนั้นได้คล่องแคล่วจึงบอกแก่ลูกชายโสมมทั์จึงบอกพ่อให้เอาบรรนาการเล็กๆน้อยๆไปถวายพระราชาตนเองล่วงหน้าไปก่อนไปยืนอยู่ในที่เฝ้าพรามมีอุตสาหและมีความกล้าหาญขึ้นเพราะเห็นว่าบุตรของตนอยู่ในที่เฝ้าเมื่อพรามไปถึงพระราชาทรงปฏิสันฐานเป็นต้นว่ามานานแล้วหรือ นี่ที่นั่งต้องการอะไรพูดไปเถอะพรามท่องบทกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชโคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้ามีสองตัวตัวหนึ่งตายเสียแล้วขอฝ่าละ อ, องธุรีพระบาทได้โปรดกล่าวรับเอาตัวที่สองเสียเถิดพระราชาตัดถามย้ำว่าพรามว่าอะไรน ะ, ะพรามคงกราบทูลอย่างเดิมพระราชาทรงทราบว่าพรามทูลผิด ต้องการขอโคลับมาทูลถวายโคจึงสงพระสวนและตรถามสมมทัศว่าสมมทัศโคที่บ้านเห็นจะมีมากกระมังหากพระองค์พระราชทานก็คงจะมีมากพระเจ้าค่าสมมทัศทูลพระราชาทรงพอพระไถยในความเสียบแหลมของสมมทัศจึงพระราชทานโค1สิบหตัวให้แก่พรามผู้บิดาพร้อมด้วยเครื่องประดับบางอย่างและ บ้านแก่พระโพธิสัตว์สมมทัศน์พระศาสดา ท, ทรงนําอดีตนิทานมาแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นเป็นพระอานน์พราหมณมาเป็นพระโลลุทายีมหาเล็กสมมาทัศนก็คือเราตถาคตนี้เองพระศาสดาตัดต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายโลลุทายีพูดไม่ถูกเรื่องไม่ถูกกาละเทศะในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ แม้ชาติก่อนก็เคยมาแล้วเหมือนกันเพราะเหตุที่มีการศึกษาน้อยเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบุคคล น, นี้มีการสับศึกษาน้อยค่อยๆแก่ไปเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อส่วนปัญญาหาเจริญไม่มีในยะดังพันานามาแล้วแต่ตนนั่นแหล 8. แนายช่างผู้ทาเรือน ภาษิตนี้เราคงได้สวดกันอยู่ประจำคืออนเนกะชาติ ส, สาร้างสร้างรังสันทาวิสังอัิพิสังเนี่ย่ซึ่งคำแปลก็ได้แปลกันอยู่แล้วแต่ก็สำนวนเดแตกต่างกั น, นในทีน่นี้ท่านแปลว่าเราเที่ยวสแสวงหาช่างผู้ทาเรือนคือตัวตันหาเมื่อไม่พบจึงต้องท่องเที่ยวไปในสงสารหลายชาติหลายภพการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์ ดูก่อนตัญหาผู้สร้างเรือนคืออัตภาพบัดนี้เราได้เห็นเจ้าแล้วเจ้าจะทําเรือนอีกไม่ได้ซี่โครงทุกซี่ของท่านเราหักเสียแล้วยอดเรือนของท่านเรารื้อเสียแล้วจิตของเราได้ถึงธรรมอันอะไรปร่งแต่งไม่ได้แล้วเราถึงความสิ้นตัญหาแล้วการที่ทรงแสวงหาในช่างผู้ทาเรือนคือตัวตันหานั้นหาให้พบเพื่อจะประหารเหมือนตารวจเที่ยวหาโจร ก่อนจะตัดสู่นั้นพระศาสดาได้ท่องเที่ยวสแสวงหาคำตอบต่อปัญหาชีวิตว่าความทุกข์ของสัตว์โลกเกิดจากอะไรในที่สุดพระองค์ก็ได้ค้นพบว่าตันหานี่เองเป็นตัวสมุทยัยคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ตัวตันหาเป็นผู้สร้างเรือนคืออัตภาพร่างกายปราชจากตันหาแล้วความเกิดก็ไม่มีเพราะตันหานี่เองทาให้เกิดบ่อ ย, อยและพระองค์ทรงประกาว่าการเกิด บ, บ่อยเป็นความทุกข์เพราะ เมื่อมีความเกิดแล้วสหพันธ์ของความเกิดก็ตามมาคือความแก่ความเจ็บและความตายความโศกเศร้าเสียใจพิไลรำพันต่างๆเพราะปิยวิปโยกบ้างคับแขนเพราะอปิยะสัมปโยกบ้างความทุกข์ต่างๆได้ตามความเกิดมาเหมือนรถพ่วงวิ่งตามหัวรถจักรไปตัดว่าทรงบำเพ็ญบา ร, รมีต่างๆมา นานชาติก็เพื่อให้เห็นแจ้งซึ่งนายช่างคือตันหาผู้สร้างเรือนคืออัตภาพนี้เมื่อได้เห็นแจมแจ้งแล้วจะได้ทำลายตันหานั้นโดยสิ้นเชิงเมื่อตันหาดับความทุกข์ทั้งมวลก็ดับไปเองเหมือนไฟหมดเชื้อมอดไปเองเรื่องตันหาเป็นเหตุสำคัญให้เกิดทุกนี้นักปราชทั้งหลายมีความเห็นพร้องกันทั่วโลกจะต่างกันก็แต่เพียงทางแห่งการกาจัดทุกเท่านั้น ในที่บางแห่งภาษาสดาตรัสว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจส่วงเล็บสมุทัยเป็นข้อที่สองในอริยสัจสีเราและท่านทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในสงสารอันยาวนี้คำว่ายอดเรือนของท่านเราหักเสียแล้วนั้นยอดเรือนหมายถึงอวิชชาความไม่รู้จริงเพราะเหตุที่ไม่รู้จริงจึงทำให้หลงไหลในสิ่งอันควรเบื่อหน่ายยึดมั่นในสิ่งอันควรปล่อยวาง กล่าวโดยเฉพาะคือปัญจขันธ์นี้คำว่าสี่โครงทุกสี่หมายถึงกิเลสทั้งปวงนอกจากอาวิชาเพราะเหตุที่ทรงหักกิเลสนี่เองจึงมีพระนามว่าพระวาแปลว่าพระผู้หักกิเลสวงเล็บลเป็นความหมายหนึ่งในหลายความหมายแห่งคำว่าพระขวาสมดังคำที่ว่าพระราโตพระโทโสพระโมโห อนาสโวะพักคัสสะป่าปกาธรรมาภควาเตณวุจจติทรงเป็นผู้หักราคะโทสะและโมะได้แล้วไม่มีกิเลสเครื่องดองใจเหลืออยู่และทรงหักทำชั่วทั้งปวงได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าภควาเมื่อข้าพเจ้าท่องเที่ยวอยู่ในอินเดียคราวใดที่มีพระสงฆ์ร่วมเดินทางไปด้วยคนอินเดียบางเมืองไม่เคยได้เห็นพระไทยหรือ บางคนเคยเห็นแต่ไม่คุ้นเคยไม่รู้ว่าผู้แต่งตัวอย่างนี้เป็นใครเขารู้ว่าเป็นนักบวชแต่ไม่รู้ว่าบวชในรัธิใดถ้ามีโอกาสเขาจะเข้ามาทักทายปราศัยถามว่าใครเป็นพระขวาของท่านพวกเราจะตอบว่าพุทธพคขวานเขาแสดงอาการเข้าใจดี คนอินเดียนั้นแม้ส่วนใหญ่จะไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็จริงแต่ส่วนมากรู้จักพระพุทธเจ้ายิ่งในหมู่นักการศึกษาแล้วรู้จักพระพุทธเจ้าและคำสั่งสอนของพระองค์ดีทั้งนี้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเขาจัดเป็นปัจญาอินเดียสายหนึ่งเหมือนกันคําว่าพระควานอกจากมีความว่าเป็นผู้หักกิเลสมีราคะเป็นต้นแล้วยังมีความหมาย ไปทางยกย่องให้เกียรติอย่างมากอีกด้วยดังคําว่าพระควาติวัจนังเศษถังพระควาติวจะนาะมุตตมังคาุคาระวยุจโตโสภควาเตนะวุจจติคําว่าพระควาเป็นคําประเสริฐเป็นคําสูงสุดบุคคลผู้ควรแก่ความเคารพในฐานะเป็นครูจึงจะได้รับนามว่าพระควาในพุทธศาสนานั้นพระที่ได้รับ พระนามว่าครูและทรงเป็นบรมครูนั้นมีเพียงพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าภาษาวกนอกนั้นเช่นภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นเป็นอาจารย์ทั้งนั้นข้อว่าจิตของเราถึงวิสังขารแล้วนั้นหมายถึงได้บรรลุพระนิพพานอันไม่อยู่ในข่ายของสังขารแต่เป็นวิสังขารไม่มีปัจจัยปรุงแต่งข้อว่าได้บรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นตัณหาก็หมายถึงพระนิพพานเหมือนกัน เรื่องประกอบปฐมโพธิการความว่าเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆทรงเป็นอุทานด้วยความเบิกบานพระไทยที่ทรงชนะกิเลสได้ต่อมาเมื่อพระอานนท์ทูลถามถึงเรื่องนั้นจึงตรัสพระธรรมเทศนาว่าอเนกชาติสร้างสารังเป็นต้นความว่าเราเมื่อแสวงหาในช่างผู้ทำเรือนคือตันหาเป็นอาทิมีนัยะรังพันานามาแล้วในวันตรัสรู้นั้น ทรงได้บุพเพนิวาสานุสติญาณในยามแรกทรงได้ทิพจักสุในยามกลางทรงอย่างพระญาณ ล, ลงในปัจจยายการในยามสุดท้ายพอรุ่งอรุณก็ทรงบรรลุพระโพธิญาณแล้วทรงเปล่งพระอุทานดังกล่าวแล้ว 9. ไม่ได้สักเมื่อหนุ่มพระพุทธภาษิตอจริตวาพรหมจริยังอรัฐา โยปเนทนังชิ น, นะโกนจาวะชายันติขีนะมัดเสวะปันละเลอาจริตวาพรหมจริยังอรัฐาโยพเนทนังเสนติจาปาติขีนาวะปุรานานิอนุทุนังแปลว่าคนเขาไม่รีบประพฤติพรหมจรรย์คือทำความดีไม่รีบขวนขวายหาทรัพย์ เสียตั้งแต่วัยหนุ่มสาวย่อมซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่ในหนองน้ําที่มีแต่เปลือกตมปลาหมดเสียแล้วเขานอนทอดถอนระลึกถึงความหลังเหมือนลูกศรตกจากแร่งแล้ววงเล็บไม่มีกําลังวิ่งไปอธิบายการทําความดีนั้นท่านว่าให้ทําทุกวันและทําไปตั้งแต่วัยต้ น, ตน ไม่ต้องรอให้แก่เสียก่อนแล้วจึงค่อยทำจะเป็นการเข้าป่าจวนค้าได้ไม้ไม่กี่ต้นหรือเจอไม้งามเมื่อขวานบินเสียแล้วหมายความว่าเที่ยวระหกระเหินทำความชั่วช้าสามานอยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนแก่ไม่รู้คุณค่าของความดีและศาสนาแต่พอได้รู้ก็แก่จวนตายเสียแล้วให้รู้สึกเสียดายว่าได้ทาความดีน้อยไป จะขอยืดเวลาต่อมัจจุราชก็ไม่ได้เพราะท่านให้เวลาตั้งมากแล้วมว่าเอาไปใช้อย่างอื่นเสียเหมือนนักเรียนเข้าห้องสอบกรรมการให้เวลาเท่ากันใครจะทําได้เท่าไหร่อย่างไรนั้นเป็นเรื่องของผู้นั้นด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้รีบทําความดีรีบหนีความชั่วการเข้าห้องสอบของนักเรียนยังรู้ร่วงหน้าว่าจะหมดเวลาเมื่อไหร่แต่ชีวิตคนรู้ไม่ได้ว่าจะตายเมื่อไหร่ ถ้าคิดว่ารอให้แก่เสียก่อนแล้วจึงค่อยทำความดีถ้ามีอันเป็นอยู่ไม่ทันถึงแก่ตายเสียก่อนจะทำอย่างไรมิเสียโอกาสในการทำความดีในการพัฒนาวิญญาณไปชาติหนึ่งหรือเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทควรรีบทำความดีเสียแต่ยังหนุ่มสาวอีกประการหนึ่งการหาทรัพย์ก็ควรรีบหาในวัยหนุ่มสาวเหมือนกันพลาดโอกาสแล้วตั้งตัวยากและจะลาบากมากในภายแก่ ใครมัวลุ่มหลงเพลิดเพลินเสียในวัยหนุ่มสาวมิได้เก็บทรัพย์สมบัติเผื่อไว้ใช้บ้างในวัยชราพอความแก่มาถึงเข้าจริงทำอะไรไม่รอดหาทรัพย์ไม่สะดวกจะเดือดร้อนไปจนตายจะหวังพึ่งลูกหลานนั้นยากเพราะเขาบีภาระต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียรหรือผัวของเขาเหมือนกันเหลือแล้วเขาจึงจะเอื้อเฟื้อมาถึงคนแก่เพราะฉะนั้นควรเตรียมตัวไว้สาหรับ เป็นที่พึ่งแก่ตนในวัยชราด้วยจึงจะชอบลูกหลานส่วนมากก็ชอบเคารพยำเกรงคนแก่ที่ไม่ต้องพึ่งเขาการหาทรัพน์นั้นควรหาในทางสุจริตถ้าหาทางนี้ไม่ได้ก็อย่าหาเลยเพราะพลั้งพลาดไปกอบโกยทางทุจริตเข้าจะต้องไปรับโทษชดใช้ในนรกหนักนักไม่คุ้มกันยอมอดยอมจนดีกว่าการแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม อย่างไรก็ตามควรพยายามตั้งตัวให้ได้เสียก่อนแต่ไวยกลางคนเป็นอย่างช้าคำอุปมาในคาถานี้ที่ว่าเหมือนลูกศรที่ตกจากแหล่งนั้นอธิบายว่าลูกศรเมื่อยิงไปแล้วพ้นจากแหล่งแล้วเมื่อตกลงยังพื้นดินไม่มีใครหยิบขึ้นมามันก็คงจมดินอยู่อย่างนั้นคนที่ปล่อยให้ไวยทั้งสามล่วงไปโดยตั้งตัวไม่ได้ก็เช่นเดียวกัน จะต้องนอนทอดถอนระลึกถึงความหลังแล้วเสียใจเรื่องนี้พระศ า, ศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารบบุตรเศรษฐีคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากเศรษฐีในกรุงพา ร, ราณสีคนหนึ่งมีทรัพย์80ดโกดเท่ากับ800ล้านได้มอบทรัพย์นั้นให้เป็นมรดกแก่บุตรของตน เขาไม่ให้บุตรศึกษาเล่าเรียนอะไรเพราะเห็นว่าทรัพย์เท่านี้มีมากพอที่ลูกจะใช้หาความสุขไปได้ตลอดชีวิตเด็กหนุ่มได้แต่งงานกับกุมารีแห่งตระกูลที่มีทรัพย์80โกดธเหมือนกันเมื่อบิดามารดาล่วงลับไปแล้วทั้งสองช่วยกันผลาญทรัพย์160โกดธจนหมดสิน้นเศรษฐีหนุ่มติดสุราใช้ทรัพย์ไปในการเดิมสุราและหาความเพลิดเพลินอื่อนๆอันเป็นอบายามุกทั้งนั้น ไม่ประกอบการงานใดๆรายได้ไม่มีมีแต่การใช้จ่ายให้หมดไปเพื่อนฝูงก็มีแต่นักเกลงโซราปอกลอกหลอกกินในที่สุดเศรษฐีนั้นกลายเป็นขอทานวันหนึ่งพระศ า, ศาสดาทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีและภรรยายืนอยู่ที่ประตูโรงฉันคอยรับอาหารที่เหลือจากภิกษุและสามเณรพระองค์ทรงทาอาการแย้มพระานนทูลถามจึงตัดว่า อานนท์เธอจงดูบุตรเศรษฐีนี้มีทรัพย์มากถึงร้อยหกสิบโกดแต่ผานหมดแล้วเที่ยวขอทานถ้าเขาประกอบการงานในวัยต้นจะได้เป็นเศรษฐีที่หนึ่งของนครนี้ถ้าออกบวชจะได้บรรลุอรหัตผลภรรยาของเขาจะได้บรรลุอนาคามิผลถ้าทำงานในมัชชิมะวัยจะได้เป็นเศรษฐีที่สอง ออกบวชจะได้สําเร็จอนาคามีผลภรรยาของเขาจะได้เป็นสกทาคามีถ้าทำงานในปัตชิมวัยจะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สามออกบวชจะได้เป็นสกทามีภรรยาของเขาจะได้เป็นโสดาบันแต่บัดนี้เขาได้เสื่อมหมดแล้วทั้งโภคะของคฤรุหัตและสามัญญผลคือผลแห่งสมณะและผลทางธรรมดังนี้แล้วพระองค์ทรงตัดพระคาถาว่า คนเขาไม่รีบประพฤติรรมจันไม่รีบหาทรัพย์เสียแต่วัยหนุ่มเป็นอาทิมีนัยยะดังพรณน า, นามาแล้วแต่ต้นวักที่สิบชื่อชราวัคขวันน า, นารวมก้าเรื่องจบเพียงเท่านี้อยังธรรมกะถาสาธายสมันเตหิสันลเกตาพ า, าต ง่วงหรือเปล่าน้อโยมฟังเทศเงานอนหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ฟังเทศง่วงนอนดูละครตาใสเขัน่ไ <c> ม <oughs> ่ใ่ฟังดีก็มีกติเยอะอยู่โอ้ยอนุสร้างศรัทธาภาษาธะให้เกิดขึ้นโอ้ได้อะไรดีเยอะนี่นี่ เราจะเห็นว่าเราเป็นผู้ที่มีโชคดีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วได้ยินได้ฟังคำสอนที่พระองค์ได้ตัดสู้แล้วนำมาสอนมันโชคดีจริงๆนะแต่เป็นบางคนนะบางคนเกิดทันศาสนา แต่ก็ปล่อยเวลาไปเหมือนที่ท่านบอกนั่นแหละเนี่มีแต่ทางโลกนยแล้วอันนี้เสร็จก่อนอันนั้นเสร็จก่อนอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเลยไม่ได้ทำสักทีนี่แล้วก็มีตัวอย่างแยะตายไปนี่ยไม่ได้ทำานี่มัจจุคือความตายนอไม่ได้ผัดผ่อนเวลาให้ใครไม่ได้บอกว่าเออบอกว่า ทรอันนี้ไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกยังไม่ตายหรอกไม่ได้บอกเลยเนียนย่ความผัดเพียนต่อมัจจุราชแล้วก็บอกว่าที่มีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเนี่ยไม่มีไม่มีมมนี่นี่แต่อย่าไปคิดว่าข้างหน้าน้นถึงจะทำนี่ข้างหน้าถึงจะให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ย แล้วมันกำหนดเวลาไม่ได้เมือ่ออาจารย์วศินว่าเขาสอบก็ยังมีเวลากําหนดได้เลยนี่บอกง่ายสมชั่วโมงเนี่ยยังกำหนดได้แต่ชีวิตกําหนดไม่ได้เนี่ยแม้คืนนี้ถึงเช้าก็ยังกําหนดไม่ได้เลยนี่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นเนี่ยนี่อาารยดึงบอกว่าถ้าไปผัดผ่อนผัดเพียนอยู่ก็ชื่อว่าเราประมาทเนี่ยการศึกษาการได้ยินการได้ฟังนี้ย มันเป็นโชคเลเป็นโชคดีเห็นไหมเราแตมาอ่านไปก็ยังเราก็ยังเห็นอานิสงส์ที่ท่านพูดไว้เนี่ยอานิสงส์ของการฝังนั่นว่าย่อมได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จริงเนี่ยแม้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วบางทีเราเข้าใจระดับหนึ่งแต่ผู้ที่มีความสามารถก็ยังมีความสามารถยิ่งกว่าเราก็ยังมีเนี่ย เราก็ยังได้รู้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนะี่ยบางทีมันไม่ชัดเนะี่ยไม่ชัดเจนเนะี่ยแต่เมื่อได้ยินท่านผู้รู้ที่มีความสามารถมียานอย่างรู้ในข้อนั้นยิ่งขึ้นไปก็ทำให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้นอีกเนะี่ยท่านเตมบอกว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนะี่ยเข้าใจแล้วย้อนทำให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น แล้วทำให้หายสงสัยหายสงสัยในสิ่งที่เราเคยสงสัยคือได้ยินได้ฟังได้ศึกษานยเป็นเหตุให้หายสงสัยนะแล้วจิตใจของผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่ยผ่องใสหรือเปล่าไม่รู้เนะาะธานีวอนเล่นงานได้ไม่ผ่องใสแล้วนี่ยถ้าฟังด้วย จิตใจที่มีศรัทธามีความพอใจได้อัตตรสในธรรมเนี่ยมันก็ผ่องใสจริงๆนะมีความสุขนะมีปิติเพลิดเพลินฟังไปก็เพลินนี่เออเพลินในธรรมไม่ได้เพลินอย่างแล้วไปเที่ยวสนุกสนานเนี่เพลินในธรรมนี่คือเข้าใจในธรรมถึงเพลินได้เนี่ยถ้าไม่เข้าใจในธรรมเพลินไม่ได้หรอกดันเตมอกว่าฟังเทศเงานอนเออถ้าเพลินเนี่ยโอ้ยมันยิ่งกว่าฟัง ดูละครยิ่งกว่าดูหนังฟังหมอลำเขาบอกแมันเกิดความเข้าใจนะทำไมั้งยิ่งกว่านะเพราะมันทำให้เราได้ความรู้ตื่นตัวได้ตลอดเนี่ยไปดูสิ่งเหล่านั้นมันทั้งดูแล้อย่างทำให้เกิดความหลับเยเกิดความหลับธรรมะที่ทำให้เกิดการตื่นตัวทําให้กลัวต่ออบายภูมิ กลัวว่าชีวิตนี้จะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติเนี่ต้องรีบทําแล้วต้องรีบทํานี่ยตอนนี้ยังไม่เจ็บยังไม่ไข้แต่ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะไม่เจ็บไม่ไข้ยเนี่ยตมาก็เป็นมาตั้งหลายครั้งแล้วตั้งแต่ปีใหม่มานี่เล่นเราตั้งเป็นเดือนๆ เ, เลยเนี่ยนี่มันกําหนดไม่ได้หรอกนี่ถ้าเราไม่ทํำมาไว้เลยแย่นีแย่เลยนะ มันไม่แน่นอนนะเวลาร่างกายปกติดีนี่ควรเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติหรือจะฟังเทศฟังธรรมทำการกุศลหรือจเจริญภาวนาอะไรก็เหมาะสมทั้งนั้นเนี่ยเมื่อร่างกายมันพร้อมนเนี่ยพร้อมก็คือความแข็งแรงร่างกายเป็นปกติกินได้นอนหลับสติก็ดีนี่ ไม่เสียสติไม่เป็นคนบ้าคนบ้าเหี้สมบูรณ์หมดทุกอย่างนะกำลังแข็งแรงเนี่ยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สะดวกวถ้าไม่เคยทำเอาไว้จะมาทำก็โอยขัดข้องไปหมดทุกอย่างเนี่ยหรือร่างกายถ้ามันแก่แล้วมันก็เสื่อมเนี่ยพอเสื่อมแล้วจะมาให้ตั้งความเพียรอย่างที่ท่านทำก็ลำบากีเนี่ย รอแก่ไม่ได้รอแก่แล้วปัญหาก็เยอะนะแล้วก็มีข้ออ้างต่อไปพอมันทำไม่ได้จริงๆด้วยนั่งก็ไม่ไว้ยืนก็ไม่ได้เดินก็ไม่ไว้อะไรๆมันก็ไม่ไว้ทั้งนั้นนะนั่นคือสภาพของความแก่แต่ถ้าฝึกไว้นี่แก่ก็ยังมีคุณภาพเลแก่แล้วกําลังใจยังดีนะยังเคยเห็นครูบาอาจารย์ท่านฝึกเนาะท่านฝึกมาท่านไม่ค่อยอ่อนแอย เแม่ดูท่านจะเพี้ยจะอะไรบางทีท่านก็ไม่รู้ไม่แสดงอาการอ่อนแอให้เห็นเนี่ยอย่างยกตัวอย่างว่าเคยดูครูบาอาจารย์ก่อนๆเนี่ยแม้จะไปหาหมอ้เโอ้สังขารแย่แล้วให้หลวงพ่อนั่งเก้าอีเอ้เถอะอะไรเถอะใครจะมานั่งเก้าอี้สวดมนต์ได้เนาะแต่ไม่เห็นแตน่ไม่เห็นท่านทำเลยถ้าไม่จริงในว่าถ้ามันแย่จริงๆนะไม่ค่อยปรากฏเห็นน ท่านก็นั่งของท่านเนะี่ยทำไมถึงนั่งได้เนะี่ยเพราะท่านฝึกมาเนะี่ยท่านฝึกมาตั้งแต่ท่านยังแข็งแรงเนะท่านฝึกได้ทนได้เมื่อฝึกได้มันก็ใจกับกายเนะี่ยมันก็เลยใช้กันได้บอกกันได้นะเนี่บอกอะไเพราะใจมันมันมีอํานาจเหนือกายเนะี่ยใจเข้มแข็งไนงะใจเข้มแข็งมแม้กายมันจะปวดด้วย ทนเราเธอกายเอ้ยไม่ไหวก็ทนเอาหน่อยเธอเนี่ยเราเคยทนมาแล้วไม่ใช่หรือเนี่ยก็บอกมันเนะนี่ยก็เตือนตนนะเตือนตนเองเนะนี่ยถ้าไม่ถึงที่สุดท่านท่านไม่ยอมหรอกเนะนี่ยบางทีจิตใจท่านเข้มแข็งท่านก็เลยแม่หมอจะบอกว่าเออมันอันตรายนะั่นนั่งนี่ตายก็ตายเถอะ บางทีก็มองไปถึงขนาดนั้นนะใจนั่นคือการฝึกใจหรอกนะแต่เราจะไปทําอย่างท่านไม่ได้นะเดี๋ยวเดินไม่ได้จริงๆรนี่กําลังใจมันน้อยนี่กําลังใจไม่พอเนี่ยอถ้ากําลังใจมากนี่ร่างกายมันก็ยังพอร้มลุกคุคลานไปได้อยู่่นีเถ้าไม่จริงจังนะนี่รู้แต่เกิดจากการฝึกทันี่ยลูกศิษย์หลายคนก็เขาบอกว่า มันนั่งไม่ไหวหมอเขาห้ามนั่งพับเพียบเนะี <c> ่ย <oughs> นั่งไม่ได้นะี่โอ้เฮตาก็เป็นมาทางนั้นแหละจนเข่ามันจะหลุดจะขาดเลยแต่ก่อนนะลุกขึ้นอย่โอยแทบแย่เนะี่ยก็ยังไม่กล้าที่จะมันนั่งเก้าอีนะ้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้จิตใจก็ไม่ได้ตกไปถึงขนาดนั้นหรอกเนะี่บอกว่ามันทาได้ถ้ามันเกินจริงๆรก็ลดเวลามันลงหน่อยหนึ่งเท่านั้นแหละนะ ถ้าสมมติว่ามันไม่ไหวเนาะอะสวดให้มันสั้นๆหน่อยอาจจะสวดไม่แปรก็ได้ถ้าวันไหนไม่ไหวจริงๆแต่จะให้แพ้มันทีเดียวมันก็ไม่ได้มันไม่เคยอะไม่เคยทําเนั่นคือการฝึกไงถ้าฝึกจิตฝึกใจถ้ามีความเข้มแข็งแล้วมันอกายมันก็ไม่เท่าไหรรอกายมันก็ทนได้สู้ได้เนี่ย นี่เราเคยลองกันไหมวเวลาเราสู้กับเวทนาเนี่ยมันปวดปวดปวดเนี่ยเออปวดจนมันหายปวดมันมีไหม <c oughs> ทนจนมันหายปวดจนอจนไม่เหมือนไม่เป็นของเราเลยมันเคยเคยถึงตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยอตอนแรกโอ้ยปวดใครปวดเราปวดเราอยู่ที่ไหนเลี <c oughs> ยงกันเล่นๆเนนะีเ่ย ทำไปทำมาเขไม่รู้เราอยู่ที่ไหนเราปวดเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเอาก็เราเนี่ยก็มันปวดที่เราปวดอ้าวถ้าเป็นเราจริงๆนะทําไมไม่บังคับมันนะไม่ปวดไม่ได้เรามีอํานาจเน่ถ้าเราเป็นเราหรือเป็นของเรานะถ้ามีเราเป็นของเราเรามีอํานาจไม่ใช่เลยเนี่ยถ้าเป็นของเราเราบังคับได้ไม่ใช่เลยเนี่ยนี่มันบังคับไม่ได้นี่ก็แสดงว่ามันยังเออย่างสงสัยอยู่ว่าเป็นของเราจริงหรือเปล่าเนี่ย อก็เล่นกันไปอย่างนี้แหละเถียงกันไปนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแม้ตัวเราก็ไม่ใช่ของเราเ อ, อแล้วของเราจะมีมาแต่แต่ที่ไหนนะโอ้โหเถียงกันหนักอยู่นะเถียงไปเทงมาเถียงธรรมะพระพุทธเจ้าอีกเลยนะี่มันทุกข์อยู่นะ อ, อมันทุกข์เนี่ยมันจะใช่หรือแต่ว่ามันก็แพ้ท่านจริงแพ้ธรรมะท่านจริงนะเถียงไปเทงมาก็สู้ท่านไม่ได้จริงๆริ พเพราะถ้าว่าอ้าวถ้าถ้าใช่ของเราจริงๆทาไมเราบังคับไม่ได้นี่จนตรอกมันกันไว้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นของเราเรามังคับได้เราจะฆ่าจะแกงก็ได้ใช่ไหมมันไม่ต้องการจริงอันนี้มันทําไม่ได้มันบังคับไม่ได้มันจึงมันถึงไม่น่าจะเป็นของเราจริงอถ้าเป็นของเราต้องบังคับบัญชาได้เนี่ยก็เลยเป็นเหตุให้เราได้ขอคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ ถ้ไมใช่ของเราก็อย่าไปใส่ใจมันสิทางหัวมันอยากปวดก็ปวดไปกําลังใจก็เพิ่มขึ้นไงนี่พอมันจับประเด็นได้กําลังใจก็เพิ่มขึ้นโอ้ถ้าไม่ใช่ของเราก็อย่าไปยุ่งมันเลยนี่นี่มันลูกของเขาล้านของเขาของของเขาจะไปเียงก็เป็นของเราเนี่ก็แย่เลยนี่คิดเป็นเรื่องธรรมะก็คิดถึกเรื่องก็เกิดความสุขขึ้นมาโอ้ธรรมะเป็นอย่างนี้ไง เข้าใจธรรมะความทุกข์แม้จะมีอยู่ก็ยังพอยิ้มๆกับความทุกข์ไอ้เราเนี่ก็นเนะจะไปเถียงกับของเขาทางั้งแต่ทุกข์อยู่นั่นแหะแต่มันก็ยังมีกําลังใจนะเขาคล้ายๆกับว่าอยากได้ก็อยากได้นี่ของเขาน่ะนะแต่ก็ใจหนึ่งก็รู้ว่าของเขาอยู่ใจอยากได้ก็อยากได้จะไปเถียงเขาจริงจริงก็แพ้เขาสู้เขาไม่ได้นี่มันอยู่ในระหว่างลบกันอย่างนี้นี่ อย่างว่ามันลำบากหน่อยมันยังไม่หลุดเลยนะถ้ามันหลุดลว่าเฮ้ยจะไปเสียดายทำไมของเขาของเขาเนี่ก็ให้เขาไปอย่างนี้เอออันนั้นคือพระอริยะเจ้าท่านถึงที่สุดแล้วเนี่ยท่านพร้อมที่จะละสังขารถึงที่สุดแล้วท่านละได้เนี่ยท่านจึงไม่กลัวไงไม่กลัวนั่นเกิดจากการฝึกการหัดดฝึกหัดปฏิบัติฝึกไว้ตั้งแต่กําลังที่มีนี่แหละยังดีอยู่นี่แหละ ด้วยเหตุนี้แล้วจึงทนไงจึงทนอยู่นะอถ้าจะคิดอย่างโล ก, โลกมันก็คิดไม่ยากแล้วเนาะคิดแต่งไงมันก็ไม่ยากเนะี่ยแต่เมื่อคิดถึงความพรุงพลังความอะไรเนะี่ยโอ้ยมันเยอะเหลือเกินเนี่ยเอแล้วอันน่นมาอันนี้มาเนะี่ยไม่ได้เบา บ, บางไม่มีละมีแต่เพิ่มขึ้นเนะี่ยก็เลยทนเราเนะี่ยทนไปก็ได้เรียนรู้ไปเห็นอ ตาเรามีดูไปเห็นไปก็เห็นความเปลี่ยนแปลงจริงนะเนี่ยบางครั้งก็ได้กำลับบงใจเออก็ดีนะเนี่ยเราไม่ทำอย่างเขาก็ดีแล้วละถ้าทำอย่างเขาแล้วโอ๊ยพอลุมพลังนักเกินแล้วก็สิ่งโน้นสิ่งนี้เดี๋ยวสุดท้ายน้ำตาไหลวิ่งมาหาอีกเลยหาพระ <laughs> เนี่เขาจริงๆริงหลายคนเลยวิ่งมาเนี่ยบางทีได้ลูกคนหนึ่งแล้วก็หลงดีใจเอาลูกคนที่สองมาทุกอีกแล้ว <laughs> ทุกข์ก็วิ่งมาฮู้ยเอ ผมอยากบวชโอยอย่ามาพูดเลยโยมกลับไปก่อนเถอะอย่าเพิ่งบวชตอนนี้เ <c oughs> บื่อแล้วก็บอก <c oughs> เราก็จะโอ้ยอาตมาไม่เชื่อหรอก <c oughs> ไม่เบื่อจริงหรอก <c oughs> นี่กลับไปก็หายเงียบจริงๆไม่เห็นมาอีกเลย <c oughs> มันอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยนช่ระยะหนึ่งเท่านั้นเองเนมันเบืเ่อเบื่ออยากๆยากกันนะนี่ บางคนทุกมากต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยเอพอมาจริงๆแล้วนึกว่ามันจะหายทุกเพิ่มทุกข์เข้าไปอีกอันนี้หลวงพ่อท่านเคยเล่านะอยู่น้องกว่าฟงก็เคยมีนี่มีนายตำรวจเขาลามาบวชนี่ก็ความรู้สึกคิดว่าจะมาพักผ่อนนะมาก็จะอยู่สบายไม่ต้องทำอะไรนะ พอมายิ่งมาเจอข้อวัดของวัดป่าก็ยิ่งดักเท่าเยอะข้อวัดหนองประพงศอไม่ได้หยุดเลยล่ะตื่นแต่เช้าเลยโอ้ยมันไม่ไหวแนะนอนกลางวันก็มีงานโน่นงานนี่สวดมนต์ทาวัดฟังธรรมนั่งสมาธิเอานอนน้อยทุกทันดีเนี่ทุกจนโอ้โหกิเลสมันออกเลยฮะเขาบอกว่าคิดว่าจะหมด อยู่สบายสบายทำไมต้องทำโน่นทานี่ตลอดเฝุ่งสร้างลํการมนดไม่ได้ต้งระบายออกมาทำไมมันยุ่งขนาดนี้อยู่บ้านก็ยุ่งพอแรงแล้วมาวัดยังยุ่งอีกเนี่ยังยุ่งเพราะจิตภายนอกและภายในจิตใจของตนเองก็ ย, ยิ่งยุ่งเข้าไปอีกหลวงพ่อท่านใช้ท่านอุทานมนุษย์เออท่านบอมนุษย์เลยท่านท่านใช้คำเนี่ย เห็นมนุษย์เอ้ยมนุษย์เกิตคงจะปร่งทรมาสังเวชคือมันคิดว่ามันจะได้ตามใจมันจะเป็นความสุขมันคิดว่าจะง่ายๆอย่างนั้นคิดเอามันก็ไม่ได้นี่พะเขาไม่รู้ว่าความสุขจริงๆมันคืออะไรนี่ ถ้าจะว่าความสุขจริงๆเป็นเรื่องตามใจมันก็ไม่ใช่หรอกนะี่วันนี้อย่างใครที่บอกว่ามาเล่าให้ฟังนอนอยากจะนอนอยากจะนอนคิดว่านอนมันสุขจริงๆเลยนอนเข้าไปแล้วโอ้โหกับตายนอนนอนนอนไม่ลุกไม่ได้เลยนะบอกว่าจริงอาจารย์มา ก, ก็เคยลูกสิษ์ ก็เคยเคยเล่าเคบ่อยอยู่ลูกศิษย์เขาก็จะแก้กิเลสเขาแก้ไปตามความคิดเขาก็เลยปล่อยเขาดูก่อนเนี่ยพาะว่าหลวงพอ่พอหลวงพ่อผมมันง่วงมากอะตื่นตอนเชา้ามีแต่ง่วงง่วงมาสวดมนต์ทำบัตรเนี่ยผมขอนอนได้ไหมครันท่านนอนอยังไงก็ให้นอนอยู่ไม่ใช่เลยนี่ผมจะนอนแบบนอนให้มันเข็ดเลยว่านี่คือนอน ขออนุญาตไม่ต้องทำอะไรจะนอนอย่างเดียวกินก็ไม่กินด้ฉันก็ไม่ฉันกิจวัตรก็ไม่ต้องทำจะขอนอนอย่างเดียวนะเอ้าเอาก็เอาเอาจะเอานานเท่าไหร่เอาสองวันก่อนว่าสองวันกไปก็รู้อยู่บ้านคงไม่ไหวแน่นี่ไปนอนนะนอนแต่เช้าเข้ามามาขอตอนเช้าก่อนฉันนไม่ฉันวันนั้นแหะคือวันง่วงมากอยากจะแก้ความง่วงนะ ก็เลยไม่ได้สันบินทบาตก็ไม่ต้องบินเนี่ยก็ไปนอนเลยนี่ยเป็นนอนเพิ่งประมาณบ่ายสองโมงหรือสามโมงเดินย่องย่องย่องมาเ อ, อ้ทำไมเห็นว่าจะนอนมาทําไมขอโอกาสครับมันไม่ไหวผมจะตายมันอยากจะลุกมันลุกไม่ได้เลยยอมเสียเสียความตั้งใจว่าขอถอนคําพูดก็ขอถอนอธิษฐานมันไม่ไหวเลย เห้ยยังไงนี่แต่ว่ามันมันดีมันชอบมันก็ไม่เชิงหรอกให้มันนั่งตลอดก็ไม่ได้นอนตลอดก็ไม่ได้กินตลอดก็ไม่ได้เนี่ยมันไม่พอดีนะตราบใดที่มีความเห็นที่ไม่ถูกต้องเนี่ยความเห็นมันผิดอยู่นะมันมันก็เป็นปัญหาทั้งนั้นแหละเนี่ยถ้ามีความเห็นผูกเรกินก็กินนอนก็นอนเดินก็เดินนั่งก็นั่งธรรมดานี่แหละเนี่ยปรับให้มันพอเหมาะพอดีแค่มันก็ มันพอดีเนี่ยไม่มีปัญหาเนี่ยอันนั้นเป็นความอยากเป็นความอยากของเราเฉยๆเนี่ยก็ไปคิดดีๆนะภาวนาดีๆเนี่ยกิเลสเนี้ยมันซอกแสกเหลือเกิ น, เ, นเล่นกันไม่ธรรมดาได้หลายปีบางทีนึกอ้ยเรานี่ไม่ดูจะใช้เวลานานเท่าไหร่พุทธเจ้าหกปีขนาดสร้างบา ร, รมีตั้ง เป็นตั้งแสนแสนกลับเนี่ยใช้เวลาต้องหกปีเลยเนี่ยเเราจะมาเก่งกว่าท่านไม่ไหวหรอไม่ได้เนี่ยเราต้องต้องทนเนี่ยตั้งแต่ว่าขันติความอดทนนะทนเอาไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็วันต่อตไปไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าฝ่โน่นเนยเพราะบารมีเรามันไม่มากเนี่ยมันสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้หรอเนี่ย คิดให้มันมีกำลังใจแล้วถ้ามีกำลังใจก็ต่อไปก็ใช้ขันติตอความอดทนเนี่ยความอดทนเป็นกำลังของผู้ปฏิบัติเนี่เป็นกำลังของสมณะ่สมณะหรือผู้ปฏิบัติต้องอดทนอย่างเดียวนีทนไปก็ค่อยเห็นไปค่อยรู้ไปนะพอแล้ว